หรือว่าลงบวชสดเพื่อสวนที่ธรมรมดาตัวรพระกวีโมกเวลาสวดไปข้องพุทธการข้องพระคเจ้ายังทรงพระชนอยู่เวลาสวดพระกีโมกก่อนจะสวดไม่ได้แสดงอ้าบดเหมือนทุกวนันนี้ทุกวนันนี้ก่อนจะ ตัวรัพฟอร์ติโม่ต้องแสดงอาบัตก่อนอาบานอาบัตเล็กน้อยตั้งแต่อาบัตทุนและใจปาจิตตีาปาจิเทชะนญยะทุกกดทุกประสิทธิท์แต่ก่อนไม่ได้แสดงที่แสดงในปัจจุบันนี้ไมะทั่วพรไม่ลท่าการตรวจ แลแล้วเดี๋ยวฟงะฟไปไปไปที่ังไปฟังไปถ้าพิจารรูปใดต้องออาเอาตัวไหนสิขบวนใดต้องหยุดสวดก่อนมันก็ออกไปข้างนอกเกตอ่าเกตที่สวดอ่ออกออกไปข้างนอกเกตสีมาแลวกออกไปแสดงอบัติก่อนแล้วเข้ามาฟังต่อฟังไปฟังไปสิ็จมีอีกรูปใดรูปหนึ่ง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 วทุกสทัยนิโรธไม่เป็นทางให้ซื้อว่ามักจมวะทุกสมุทัยนิโรธมักนี่เรียก ว, ว่าอาริยะสัจธรรมทั้งสีทุกสมุทัยนิโรธมักจำ ข, ข, ข้อข้อข้อแรกมักข้อต่อไปทิ่สัมมาสังกปรดานีออกจากกามจะถามว่ากามมีที่ไหน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 ปัญญาพวกกระจบจะจะเทา่าเมื่อกันเพราะว่า ส, สติกับปัญญาถ้าแยกออกมากเป็นสองถ้าเข้าไปข้างในก็เป็นในเดียวกันรวมอยู่ที่เดียวกันก็คือจิตใจสติก็คือจิตใจปัญญาก็คือจิตใจศีนก็คือจิตใจธรรมะที่ก็คือจิตใจทำก็คือจิตใจอยู่ที่เดียวกันน้องน่องออกมาดูร่างกาย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 ฉันเห็นอริยสัจสาั้ิบสีเห็ น, ห น, นทุกเห็นสมูกไทยเห็นทุกเกิดเห็นนิโรธซึงความดับทุกข์ถึงจิตถึงใจจริงๆริงงานเจเจของสันจะเป็นพระพระอริยเจ้าเจ้ า, า, าสันเจ้าว่าอริยสัจสามสสี่เป็นเป็นธรรมของพระใน เ, เจ้าพระใน เ, เจ้าจะตังต้งช่มเด็จาพระโสาราภิกษุทาคาพระอนาค า, าและพระอรหรันโดยลําดับ ละเอียดขับไปดำดับสูงขึ้นไปโดยลำดับที่นี่ส่วนจิตใจเนี่ยทั้งสัตว์ทั้งบุคนน้อยที่สุดทั้งผู้นัตที่แต่หักขึ้นมาหม็ดดำเมวดแดงทั้งสัตว์ต้นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวนั้นแล้วก็ทั้งมนุษย์มนุษย์เราทั้งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่คนสลาจิตใจอันเดียวกันนั่แต่ว่ามันสูงต่ำความ กันคือวดวงจิตดวงใจเพราะฉะนั้นพอเจ้าพุทเจ้าษฤษฤษษษษจะมาสั่งมาสอนพวกเราให้อบรมจิตใจในแห่มัธสูงขึ้นสูงขึ้นไปโดยลําดับตั้งแต่ษษษษ ข, ขั้นพระโสดาพระสิาขาพระอนาคาและสิงขั้นพระอรหันต์สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยพราะฉะนั้นว่ามาอบรมจิตใจให้ให้มาเต็มเมือ่อจิตใจเต็มแล้วที่นี่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 เพราะวกก่าจิตใจไม่ต่ำลงไปลงลงไปเป็นเป็นสัตว์ดีเลยสามเป็นพูดผีด mm hmm. ปีศาจเนื้องกีวิตไม่ถูกต้อง ส, สมมาอัติโวสมมากรมรมตัวสมมาจิวสมมาวายาโมสิเคียนละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเป็นต้นพวกที่ฆ่าตว์ลักทรพัพย์พฤทผิดในการพวกนี้ละถ้าไม่มีเดืงพฤษภามีอะไรพวกที่เก่ามานจะเลี่ยนพยะเยมละออก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 ในนึกในอรอารพรุตรที่นี่ส่วนที่อันออส่วนที่ละอียดยาวออกมาภายนอกใช่ปะระลึกให้มันถูกต้องอย่าพาไปเกระทบบุคคลอื่นสัตวอื่นอย่าไประลึกอิดหาตาลอดคนอื่นอย่าไประลึกอ่าอันระลึกอยากอยากจะเอาสิ่งขโมยสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของขุนระลึกถึงว่าจะชนเป็นธรรมใช่ปะธรมมาสัต์หรือมชอบ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 ถ้าไม่เป็นสินอะมันไม่ต้องราคาไปสินห้าสินห้าสินแปดสินสิบสินทองร้อยยี่สิบเจ็ด้าไม่เป็นสินจริงๆแล้วมันมีสินตัวเดียวสินห้ากับสินตัวเดียวสินแปดกับสินตัวเดียวสินสิบกับสินตัวเดียวสินสองสิบสินสองร้อยี่สิบเ็ดก็มีสินตัวเดียวสินตัวเดียวอยู่ที่ไหน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 ด้เอตัคะเป็นเอกในบรรดาพิถุนีนั่นนี่พวกเราหมือนกันต่อสมกัก่งจอย่าไปสงสัยว่าพระพุท ธ, ธเจ้าและพระอนอุตเจ้าเข้าสู่พระพวระีนีพานไปแล้วหมดมรรคมผลไม่หมดมรรคที่ผันทางที่กล่าวมาที่ทาาพว่าสัมมาทิสีสัมมาสังโฆสัมาสสมาวจารสัมมาคมตัวสัมม า, าชิว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 ความรักษาสังกาทางหูทางจมูกทางนิ่งทางใจได้ทางจงิตใจอย่างนี้เรียกว่ากองอิญจ้าว่าขันกับเรีว่าก อ, องกองกองรูปประขันกองเวทนาขันกองสัญญาขันกองขังขารขันกองวิญญาณขั น, ขนมเมื่อจิตใจมามาเห็นว่าตอนสกนลกาเนี้เป็นกองทุกข์จนจิตใจมันเห็ น, น, น, นทุกเต็มที่ถึงเติใจมันถอนออกนนจากร่างกายเดิในใน า, ายายความัมที่นี่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 อยากคุณโตก่เศ้าโกาอะไรให้วางสุกในลักสุกทุกนี้ของมีประจำโลกมนุษย์โุกก็พอสุกทุกทส้งสองเมื่อละสุกละทุกได้เหมือนใจกองไม่สมองขี้ัวชั่วนิรันต์แตววังควาวมีด้วยปาการาศนี